กฎหรือตัวสภาวะข้อที่สการแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทหลักปฏิจจสมุปบาทนี้ถูกนำมาแปลความหมายและอธิบายโดยในย่าต่างๆซึ่งพอสรุปเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ประเภทที่1การอธิบายแบบแสดงวิวัฒนาการของโลกและชีวิต โดยการตีความพุทธพจน์บางแห่งตามตัวอักษรเช่นพุทธดำรัสว่าโลกะสมุทัยเป็นต้นประเภทที่สองการอธิบายแบบแสดงกระบวนการเกิดการดับแห่งชีวิตและความทุกข์ของบุคคลซึ่งแยกได้เป็นสองนัยยะนัยยะที่หนึ่ง แสดงกระบวนการช่วงกว้างระหว่างชีวิตต่อชีวิตคือแบบข้ามภพข้ามชาติเป็นการแปลความหมายตามรูปศัจอีกแบบหนึง่งและเป็นวิธีอธิบายที่พบทั่วไปในคำพีรุ่นอัตถคถาซึ่งขยายความหมายออกไปอย่างละเอียดพิสดารทำให้กระบวนการนี้มีลักษณะเป็นแบบแผนมีขั้นตอนและคำบัญญัติเรียกต่างๆจนดูสลับซับซ้อนแก่ผู้เริ่มศึกษา ในยะที่สองแสดงกระบวนการที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในทุกขณะของการดำรงชีวิตเป็นการแปลความหมายที่แฝงอยู่ในคำอธิบายในยะที่หนึ่งนั่นเองแต่เล็งเอาในยะอันลึกซึง้งหรือในยะประยุกของศัพ์ตามที่เข้าใจว่าเป็นพุทธประสงค์หรือเจตนารมณ์ของหลักธรรมเฉพาะส่วนที่เป็นปัจจุบันวิธีอธิบายในยะนี้ ยืนยันตัวเองโดยอ้างพุทธพจน์ในพระสูตรได้หลายแห่งเช่นในเจตนาสูตรทุกขนิโรธสูตรและโลกะนิโรธสูตรเป็นต้นส่วนในพระอภิธรรมมีบาลีแสดงกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปา ท, ทั้งหมดที่เกิดครบถ้วนในขณะจิตอันเดียวไว้ด้วยจัดเป็นตอนหนึ่งในคำพีทีเดียวดูได้จากอาภิธรรมภาชนีแห่งปัจจาการวิพัง ในการอธิบายแบบที่หนึ่งบางครั้งมีผู้พยายามตีความหมายให้หลักปฏิจจสมุปบาทเป็นทฤษฎีแสดงต้นกำเนิดของโลกโดยถืออวิชชาเป็นมูลการหรือ the first cause แล้วจึงวิวัฒนาการต่อมาตามลำดับหัวข้อทั้ง12นั้นผู้ที่ตีความหมายอย่างนี้บางพวกแปลคำอวิชชาว่าสิ่งหรือภาวะที่ไม่มีความรู้จึงอธิบายว่าวัตถุเป็นต้นกาเนิดแห่งชีวิต บางพวกแปลคำอวิชาว่าภาวะที่ไม่อาจรู้ได้หรือภาวะที่ไม่มีใครรู้ถึงจึงอธิบายอาวิชชาเป็นก๊ดไปเสียส่วนคำว่าสังขารก็ตีความหมายคลุมเอาสังกตธรรมไปเสียทั้งหมดดังนี้เป็นต้นในการอธิบายแบบที่หนึ่งบางครั้งมีผู้พยายามตีความหมายให้หลักปฏิจจสมุปบาทเป็นทฤษฎีแสดงต้นกาเนิดของโลก โดยถือเอาอาวิชชาเป็นมูลการแล้วจึงวิวัฒนาการต่อมาตามลำดับหัวข้อทั้ง12นั้นการแปลความหมายอย่างนี้ทำให้เห็นไปว่าคำสอนในพระพุทธศาสนามีส่วนคล้ายคลึงกับศาสนาและระบบปรัชญาอื่นๆที่สอนว่ามีตัวการอันเป็นต้นเดิมสุดเช่นพระผู้สร้างเป็นต้นซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสัตว์และสิ่งทั้งปวงต่างกันเพียงว่า ลัทีที่มีพระผู้สร้างแสดงกำเนิดและความเป็นไปของโลกในรูปของการบันดาลโดยอำนาจเหนือธรรมชาติส่วนคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ตีความหมายอย่างนี้แสดงความเป็นไปในรูปวิวัฒนาการตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาติเองอย่างไรก็ดีการตีความหมายแบบนี้ยอมถูกตัดสินได้แน่นอนว่า ผิดพลาดจากพุทธธรรมรอกคำสอนหรือหลักลัทธิใดก็ตามที่แสดงว่าโลกมีมูลการคือเกิดจากตัวการที่เป็นต้นเดิมที่สุดยอมเป็นอันขัดต่อหลักอิทัิปัจจยตาหรือหลักปฏิจจสมุปบาทนี้หลักปฏิจจสมุปบาทแสดงเหตุผลเป็นกลางๆว่าสิ่งทั้งหลายเป็นปัจจัยเนื่องอาศัยกัน เกิดสืบต่อกันมาตามกระบวนการแห่งเหตุผลยังไม่มีที่สิ้นสุดมูลการเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะในรูปพระพูดสร้างหรือสิ่งใดๆด้วยเหตุนี้การแปลความหมายหลักปฏิจจสมุปบาทให้เป็นคำอธิบายวิวัฒนาการของโลกและชีวิตจึงเป็นที่ยอมรับได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการอธิบายใหเห็นความคลี่คลายขยายตัว แห่งกระบวนธรรมชาติในทางที่เจริญขึ้นและสุดโทมเสื่อมสลายลงตามเหตุปัจจัยหมุนเวียนกันเรื่อยไปไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายเหตุผลอย่างหนึ่งสําหรับประกอบการพิจารณาว่าการแปลความหมายอย่างใดถูกต้องควรยอมรับหรือไม่ก็คือพุทธประสงค์ในการแสดงพุทธธรรมซึ่งต้องถือว่าเป็นความมุ่งหมาย ของการทรงแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทด้วยโดยเป็นไปตามหลักความสอดคล้องที่ย้อนกลับมาบ่งบอกว่าความจริงของหลักปฏิจจสมุปบาทนั้นอำนวยความมุ่งหมายเชิงปฏิบัติ ด, ดังที่กล่าวในการแสดงพุทธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายและสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่จะนำมาใช้ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงได้เกี่ยวข้องกับชีวิต การแก้ไขปัญหาชีวิตและการลงมือทาจริงๆไม่ทรงสนับสนุนการพยายามเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีครุนคิดและถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาทางอภิปรชัชญาซึ่งเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้การกำหนดความเป็นพุทธธรรมจึงพึงพิจารณาคุณค่าทางจริยธรรมประกอบด้วย ในกรณีการแปลความหมายแบบวิวัฒนาการชนิดหมุนเวียนไม่มีต้นปลายนั้นแม้จะพึงยอมรับได้ก็ยังจัดว่ามีคุณค่าทางจริยธรรมคือคุณค่าในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตจริงน้อยหรื อ, อยังไม่มั่นใจเต็มที่คือได้เพียงโล ก, กทัศน์หรือชีวทัศน์อย่างกว้างๆงว่าความเป็นไปของโลกและชีวิตดำเนินไปตามกระแสแห่งเหตุผล ขึ้นต่อเหตุปัจจัยในกระบวนการของธรรมชาติเองไม่มีผู้สร้างผู้บรนดาลและไม่เป็นไปเลยอยโดยบังเอิญดังนั้นจึงเอื้อหรือน้อมไปในทางที่จะให้เกิดคุณค่าในทางปฏิบัติ3ประการต่อไปนี้คือข้อที่1การมองเห็นระนักว่าผลที่ต้องการไม่อาจให้สำเร็จเพียงด้วยความหวังความปรารถนา ด้วยการอ้อนวอนต่อพระผู้สร้างหรืออำนาจเหนือธรรมชาติใดๆหรือด้วยการรอคอยโชคชะตาความบังเอิญตะต้องสำเร็จด้วยการลงมือกระทำคือบุคคลจะต้องพึ่งตนด้วยการทำเหตุปัจจัยที่จะให้ผลสำเร็จที่ต้องการนั้นเกิดขึ้นข้อที่สองการกระทำเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการจะเป็นไปได้ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของธรรมชาตินั้นยังถูกต้องจึงถือปัญญาเป็นคุณธรรมสำคัญคือต้องเกี่ยวข้องและจัดการกับสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาข้อที่สการรู้เข้าใจในกระบวนการของธรรมชาติว่าเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยยอมช่วยลดหรือทาลายความหลงผิด ที่เป็นเหตุให้เข้าไปยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นตัวตนของตนลงได้ทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยไม่กลับไปตกเป็นทาตของสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเสียอย่างคงเป็นอิสระอยู่ได้โลกัศต์และชีวัศต์ที่กล่าวนี้แม้จะถูกต้อง และมีคุณค่าตรงตามความมุ่งหมายของพุทธธรรมทุกประการก็ยังนับว่ายากไม่หนักแน่นและกระชั้นชิดพอที่จะให้มั่นใจเด็ดขาดว่าจะเกิดคุณค่าทั้งสามประการนั้นโดยเฉพาะประการที่สามอย่างครบถ้วนและแน่นอนเพื่อให้การแปลความหมายแบบนี้มีคุณค่าสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะต้องพิจารณากระบวนการหมุนเวียนของธรรมชาติ ให้ชัดเจนถึงส่วนรายละเอียดยิ่งกว่านี้คือจะต้องเข้าใจรู้เท่าทันสภาวะของกระบวนการนี้ไม่ว่าณจุดใดก็ตามที่ปรากฏตัวให้พิจารณาเฉพาะหน้าในขณะนั้นๆและมองเห็นกระแส ค, ความสืบต่อเนื่องอาศัยกันแห่งเหตุปัจจัยทั้งหลายแม้ในช่วงสั้นๆเช่ น, นนั้นทุกช่วง เมื่อมองเห็นสภาวะแห่งสิ่งทั้งหลายต่อหน้าทุกขณะโดยชัดแจ้งเช่นนี้คุณค่าสมประการนั้นจึงจะเกิดขึ้นอย่างครบถ้วนแน่นอนและย่อมเป็นการครอบคลุมเอาความหมายแบบวิวัฒนาการช่วงยาวเข้าไว้ในตัวไปด้วยพร้อมกันในการแปลความหมายแบบที่หนึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นความหมายอย่างหยาบหรือยอย่างละเอียดก็ตาม จะเห็นว่าการพิจารณาเพ่งไปที่โลกภายนอกคือเป็นการมองออกไปข้างนอกส่วนการแปลความหมายแบบที่สองเน้นหนักทางด้านชีวิตภายในสิ่งที่พิจารณาได้แก่กระบวนการสืบต่อแห่งชีวิตและความทุกข์ของบุคคลเป็นการมองเข้าไปข้างในการแปลความหมายแบบที่สอง ในยะที่หนึ่งเป็นแบบที่ยอมรับและนำไปอธิบายกันมากในคำภีรุ่นอธิกาทั้งหลายมีรายละเอียดพิสดารและมีคำบัญญัติต่างๆเพิ่มอีกมากมายเพื่อแสดงกระบวนการให้เห็นเป็นระบบที่มีขั้นตอนแบบแผนชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันก็อาจทำให้เกิดความรู้สึกตายตัวจนกลายเป็นยึดถือแบบแผนติดระบบขึ้นได้ พร้อมกับที่กลายเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มศึกษาในที่นี้จึงจะได้แยกไปอธิบายไว้ต่างหากอีกตอนหนึ่งส่วนความหมายตามในยะที่สองก็มีลักษณะ ส, สัมพันธ์กับในยะที่หนึ่งด้วยจึงจะนำไปอธิบายไว้ในลำดับต่อกัน